คติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวมตามหาบุวญาณสัมปันโนจากหนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์เสนอตอนที่เจ็ดเลี้ยงลูกลูกโพอุปสมบทและซึ้งในรถพระธรรมจิตที่มีกิเล จิตจึงเป็นเจ้าเรื่องก่อควรอยู่ตลอดเวลาการต่อสู้กับกิเลสแม้พระพุทธเจ้าและพระสาวกก็เป็นทุกข์จงน้อมท่านมาเป็นขติกิเลสกับสติปัญญานี่แหละพอวัดพอเวียงกันธรรมจึงสร้างคนให้เป็นคนดีมานับกับนับกันไม่ได้แล้วคนเราดีด้วยธรรมดีด้วยการประพฤติปฏิบัติสัตว์ทั้งหลายดีด้วยเนื้อด้วยหนังมีคุณค่าราคาด้วยเนื้อด้วยหนัง กำลังบังชาของมันอย่างที่บบราณท่านกล่าวไว้ว่าเลี้ยงลูกปลูกโพลคำว่าเลี้ยงลูกก็คือการบํารุงความรักที่ชอบลมตัวทังพ่อทั้งแม่ยากงมีเรียกว่าเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมาคําว่าปลูกโพลคือสอนความเฉลิมฉลองสอ น, รนรสอรรรปริยมารยาศส่งเข้าโรงร่ำโรงเรียนก็เพื่ออนาคตของลูกมีเท่าไหร่ก็ท่มลงไปลงไป ในลูกได้ศึกษาเร่เรียนจนเม็ดเป็นหน่วยอนาคตจะได้มีความแน่นหนามั่นคงขนาดนั้นแรงพ่อแม่ของคนเวลามีโอกาสได้บวชก็ทำให้พ่อแม่ดีอกดีใจแทบจะเหาะจะบินที่วความปีติยินดีใจสอสื ส, อ, สอื่นเพราะความจื้นตันน้ำตาล่วงไหลนับแต่วันลูกเกิดมาก็มีวันได้บวชลูกนั้นแรเป็นชีวิตจิตจที่มีคุณค่ามากเป็นประวัติการในชีวิตของพ่อของแม่ เพราะก้อนเลือดทั้งก้อนนี้กระคับประครองทนุถนอมเลี้ยงดูมาตั้งแต่อยู่ในโ้อ์เป็นกระช่งแบบนี้ทุกจ้งจขนาดไหนก็ทนเอาที่ความรักสงสารแล้วในเนื้อก้อนนี้ถือเราทั้งคนนี้มาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการบวชการประพฤติปฏิบัติอัตธรรมด้วยร่างกายและจิตใจที่แสนเลี้ยงยากนี้ซึ่งจัดว่าเป็นความถูกต้องดีางามอย่างยิ่งแล้ว จึงเป็นที่ยินดีจะบิดามารดาวงศาขนาดญาติเป็นอย่างยิ่งความยินดีของพ่อของแม่ที่มีต่อเราความปิติซาบซางทุกขุมขนนับแต่บนศรีรษะลงมาถึงเท้าก็มีวันนี้ความสุขมหาศาลที่ได้รับจากลูกก็มีวันที่ลูกบวชนี้ เวลาที่ลูกได้ประพฤติปฏิบัติตัวเกี่ยวกับความเป็นนักบวชนี่แหลพ่อแม่มีความภาคภูมิใจมากไม่มีสมงัติใดเสมอเหมือนไม่หวังเอาอะไรจากเราแหละท่านหวังแต่อยากให้ลูกเป็นคนดีสมบูรณ์ด้วยศีลธรรมในตัวตลอดไปอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้ลูกมีวิชาความรู้ทั้งถามโลกและทางธรรมเฉลิ้วฉลาดเพื่อรักษาตนหาไปเป็นค า, ารวะ ได้มีหน้าที่การงานเป็นหลักเป็นฐานมีฐานะมั่นคงในอนาคตได้อยากพบเห็นลูกตรนรกทั้งเป็นที่ความเห็นผิดคิดนอกลู่นอกทางและการกระทําที่เลวทรามต่างๆผู้มั่นคงในเพศภาวะของพระท่านก็หวังเพื่อใบบุนแห่งคุณธรรมที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของลูกแม้ถึงคราวตายตาก็ลับสนิทไม่ห่วงใยนี่เป็นความมุ่งหมายอันใหญ่หลวงของพ่อแม่ที่มีต่อลูกๆู าที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยสมบัติมูนทองเป็นต้นนั้นส่วนมากพ่อแม่ไม่ค่อยสนใจคิดยิ่งกว่าอยากให้ลูกเป็นคนดีมีฐานะมั่นคงทั้งทางโลกทางธรรมซิ้นเกี่ยวโยงกันฉะนั้นเราจึงพยายามเพื่อความเป็นคนดีเป็นพระดีหากทนต่อกระแสะโลกไม่ไหวเพราะความจำเป็นบังคับที่ต้องสึกออกไปก็ให้นำหลักธรรมไปประพติธปฏิบัติตัวเองตามเพศของชาวพุทธที่ดี อย่าดลดละปล่อยวางตลอดอาวสานแห่งชีวิตพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญยณสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านไว้ต่อไปอีกว่าเราบวชที่วัดยอธานินิดตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่12พฤษภาคมปีพุทธศักราช2477เวลา14นาฬิกา45นาทีโดยมีพระธรรมเจดีจูงพันธุโลเป็นพระอุปชาพระครูประอนตาเขมังตะโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์พอบวดแล้วก็เตือนตนเองทันทีว่าเอาละนะทีนี้ไม่มีใครจะมาตามแนะนำตักเตือนพร่ำสอนตลอดถึงการหลับการตื่นไม่มีใครมาปลุกเราแล้วนะ เราต้องเป็นตัวเราเต็มตัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่หวังพึ่งพ่อแม่ดังแต่ก่อนอีกแล้วทำความเข้าใจกับตัวเองเรากับว่าอัตตาหิอัตโนนาโถอ่านหนังสือถึงเวลาตีสองตีสามเป็นประจำนี่ถึงตีสีบ้างเป็นบางวันแล้วถึงนอนถึงนอนดึกมันก็ตื่นทันมันตั้งท่าของมันอย่างจริงจังไม่เคยพลาดเดินบางทีก็นอนตีห้าบ้างเป็นบางคืนตีห้าก็สว่าง เดือนนิถุนายนกรกฎาคมพ่ะสว่างก็ลมธรรมวัดส่วดมนต์น เ, ตเช้าแล้วค่อยออกดินทบาดเรื่องธรรมวัดส่วดมนนั้นในพรรษา น, นี้ต้องอธิฐานไว้เลยว่าจะไม่ขาดตั้งแต่เช้าถึงเย็นการธรรมวัดให้กราบเรียนท่านพระครูไวไ้ด้ว่าหากจําต้องไปตามจิต น, นิมนต์คอยท่านรอจนกว่าจะกลับมาถึงค่อยธรรมวัดเพราะเราขอคํามนมาอย่างนั้นนี่หมายถึงธรรมวัดส่วนรวมส่วนที่กุฏิ เราก็ทำอีกทีหนึ่งนี่เราอธิฐานให้เป็นส่วนรวมทำว่าส่วนรวมไม่ให้ขาดทั้งเช้าและเย็นในพัรษาหลวงตามหาบูญยนสัมตันเนรจะเล่งประวัติของท่านในตอนที่ซึ้งในรถพระธรรมต่อไปอีกว่าการอ่านหนังสือนี้สำคัญมากเราได้เป็นหลวงตา มานำพี่น้องทั้งหลายทั้งหมดทุกวันนี้ก็เพราะหนังสือประวัติของพระพุทธเจา้าและประวัติของพุทธสาวกอ่านแล้วจิตใจเหมือนติว้วปลุ ก, กจิตปลุกใจได้ถึงขนาดนี้พุทธประวัติ ด, ดูดื่มซึมซาบเข้าถึงใจถึงใจเป็นกําลังใจนุ่มออกมาออกมาอ่านประวัติของท่านแล้วซึ้งถึงกับน้ําตาร่วงน้ําตาร่วงเหตุเบื้องต้นก็คือสองสารพระองค์ที่ท่านสลบสลด์ถึงสามหนพระพุทธเจา้า กว่าท่านได้ตัดสู้ทรมานแสนสาหัสถึงขั้นสลบสามหนเราก็น้ำตาร่วงพอท่านได้ตัดสู้ถึงแดนอัศจรรย์แล้วก็อัศจรรย์ท่านอีกน้ำตาร่วงอีกน้ำตานี้เป็นน้ำตาที่มีคุณค่ามากที่สุดกระเทือนหัวใจถึงกลับได้บวชไม่ยอมสึกพอระบวชได้ 4, สี่พรรษากลับไปเยี่ยมบ้านยมพ่อได้ถามเราว่าไม่อยากศึกบ้างเหรอเราได้แต่นั่งนิ่งไม่ตอบว่าอะไร เรื่องศึกไม่คํานึงไม่แต่หมุนตัวเข้าสู่พระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าการอ่านหนังสือถึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยตอนสําคัญก็คือไปอ่านประวัติของพระพุทธเจา้าดูว่าท่านดําเนินอย่างไรจากนั้นก็ดูประวัติของพระสาวกออกมาจากสกุลไหนก็ตามสกุลพระราชามาหากระสาเศรษฐีบุรุทีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาเวลามาบวชได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วองค์นั้น เข้าไปอยู่ในป่านั้นองค์นี้เข้าไปอยู่ในเขาลูกนั้นองค์นั้นอยู่ในถ้านั้นเนื้อผานั้นไม่สนใจใยดๆในเรื่องสมบัติเงินทองซึ่งเคยเป็นเศรษฐีคุุมพีและเจ้าอาํานาจวาสนามาแต่ก่อนนั้นเลยสลัดปัิทิ้นทั้งหมดเ้าอยู่ในป่าในเขาอยู่อย่างไรก็ตามกินอย่างไรก็ตามขอแต่ให้ดําเนินตามทางธรรมะให้เต็มหัวใจด้วยความอยากนี้อยากท้นทุกข์อยากเลิกประมาณ อยากว่าเท่าไรกิดอิ่มหมุนเราก็เอาอันนั้นมาเทียบทีนี้พอเห็นท่านในตำรับตำราองค์นั้นตรัสรู้องค์นั้นบรรลุธรรมที่นั่นที่นั่นเราก็อยากเป็นพระอรหันตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะเอาให้เป็นพระอรหันต์ให้ได้เราจะเรียนซื้อก่อนขอรู้แนวทางแล้วจะออกปฏิบัติเอาให้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งถ้าเอาไม่ได้ขอให้ตายเลยเชียงพอเราเรียนจบชั้นที่ตั้งกิจอธิษฐานเอาไว้แล้ว ทีนี้เกิดความสงสัยเพราะจะเอาจริงเอาจังกิเลสมันมาปิดตาปิดใจถ้าหากว่าเราปฏิบัติไปแทบล้มแทบตายสละกำลังชีวิตจิตใจทุกด้านลงไปนี้ไม่มีมรรคผลนิพพานเป็นเครื่องต้อนรับแล้วเราจะไม่ขาดถึนไปหรือจนเกิดข้อข้องใจขึ้นมาหลวงตามหาบูญญาสัมปันโน เราชีกบทของท่านต่อไปอีกว่าเมื่อเราบวชมาใหม่ๆถึงบวชมาใหม่ๆแต่เรานิสัยก็ชอบภาวนานสิสออันนี้มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมไม่มีใครสอนมันหากเป็นอยู่ในจิตในใจมันแปลกมากในเรื่อง น, นี้พอหยุดจากการอ่านหนังสือจะเหลือเวลาไว้1งชั่วโมงทุกๆคืนสมมติว่าเราจะนอนตีหนึ่งพอ ถ, ถึงเวลาหกทุ่มเราหยุดอ่านหนังสือก่อน คือเวลาหกทุ่มถึงจีหนึ่งต้องทําสมาธิภาวนาตั้งใจพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆตอนแรกมันไม่ได้เรื่องได้ราวเพราะคนมันไม่เคยวันไหนไม่ได้เรื่อก็ช่างมันเราได้ภาวนาได้บุญก็เอาหลายครั้งหลายหนสุ่มไปสุ่มมาเหมือนสุ่มหาปลานะสุ่มหลายครั้งหลายหนก็ไปเจอเอาจนได้ใจสงบเข้ามาข้างในเหมือนเราตากแหวไว้แล้วดึงจอมแหตีนแหมันก็หดเข้ามาเข้ามา นึกพุโทโธทีไปเข้าไปเข้าไปแล้วกระแสะของกิตค่อยสงบเข้ามาเข้ามาความสงบของกระแสะกิตนั้นก็เป็นจุดที่เกิดความสนใจอีกจุดหนึ่งเหมือนกันยิ่งพุโทโธทียเข้าไปเท่าใดกระแสะของกิตรวมเข้ามาเข้ามาเท่านั้นโลกภายนอกเหมือนไม่มีมันขาดจากการหมดเรื่องโลกสงสารมีอันเดียวเท่านั้นเป็นของอสัร ย, ยิ่งเป็นเหมือนว่าเกาะอยู่ในถ้ำกลายมหาสมุทรอสั์ อัศจรรย์จริงๆเพราะเราไม่เคยเห็นไม่เคยนับตั้งแต่วันเกิดมามาเจอวันนั้นในเวลานั้นด้วยตื่นเต้นนไม่เคยเห็นความสุขความอศัศจรรย์ความแปลกประหลาดอย่างนั้นมันก็ตื่นเต้นความตื่นเต้นเลยไปเกิดเหตนความสงบเสียติดจริงถอนออกมานี้พวกเหตยยุย่อๆเท่งนั้นนะเวลามันรวมมันอัศจรรย์จริงๆนั่นเกาะอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรทะเลหลวง เป็นจุดที่สงบอัศจรรย์และมีความสุขอยู่ในนั้นความแปลกปลาดก็อยู่ในจุดนั้นทั้งหมด